ขอความสุขความเจริญจง ม, มีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปรถุมในวันนี้จะพูดเรื่องสับพิสูตคือสูตรที่ว่าด้วยสัตวรร์บุษก็ต้องการจะเน้นเรื่องผลดีงามที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลเหล่านั้น ราอาศัยการได้คบหาสมาคมกับสัตว์บุรุษคําว่าสัตว์บุรุษนั้นเป็นชื่อรวมๆที่เรียกคนดีซึ่งมีคุณธรรมมายความมาเกณฑ์กําหนดความเป็นสัตว์บุรุษก็อยู่ที่ความรู้ดีกับมีความระพฤติดีพูดง่ายๆว่าคนอยู่ในศีลในธรรม แล้วก็นับได้เรื่อยไปจนถึงสูงสุดคือยอดของสัตว์บุตษก็ได้แก่พระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปฏิเกพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกแล้วก็ลดหลั่นกันลงมาจนถึงสาธุชน ท, ทั่วไปเนี่ยพระเกณฑ์กำหนดความเป็นสัตว์บุตษอย่างที่ได้เคยเจอมาในพระสูตรก่อน ก็ไดเกกท่านที่ประกอบด้วยสัพพริสธรรมคือธรรมะที่เป็นฐานใจเป็นเรือนใจของท่านที่เรียกว่าสัตบุรุษความหมายคำแปลก็คือผู้สงบถามว่าสงบจากอะไรก็สงบจากความคิดชั่วพูดชั่วทาชั่วเพันแต่เราดูเอามาตรวัดพื้นฐานก็ ขนาดศีลห้าก็เป็นสัตว์บุุรได้แล้วและถ้าถึงกุศลกบดก็จะโดดเด่นมากยิ่งขึ้นหมายความว่าปริมาณธรรมะกับความรู้เพิ่มขึ้นเท่าไรลักษณะเด่นของความเป็นสัตว์บุรุษก็เพิ่มปูนสูงขึ้นเท่านั้น ผนที่ได้พูดมาในวันก่อนก่อนก็ที่จริงก็หลายวันแล้วที่ทรงแสดงลักษณะของสัตว์ประุษประการแรกคือเป็นตูคุณธรรมที่มีอยู่ภายในของท่านก็หมายความว่ามีศรัทธามีความเชื่อมั่นอันยั่งลงมั่นคงในคุณของพระรัตนตรยัย ก็เป็นความเชื่อที่สมเหตุสมผลเนี่ยตอะแต่เราจะเน้นเฉพาะพ ร, รัตนตรัยไปเดียวก็เป็นการตัดคนดีในส่วนอื่นของโลกออกไปหรือเขาจะนับถือศาสนาอะไรที่จริงไม่ค่อยเกี่ยวอะไรท้งหลาหรอกแต่ว่าเป็นเรื่องของความเชื่อที่มีเหตุผล แล้วก็แสดงออกให้เห็นว่าเป็นคนละอายบาปสะดุ้งโกรวต่อ บ, บาปคือประกอบด้วยหิริอุตละปะแล้วก็ผ่านการศึกษาสับกับฟังมามากที่เรียกว่าปูสูตรปรูสูตรมันก็เป็นสูตรอะก็มีอยู่ห้าข้ออย่างเงี้ยทุกทีที่ส่งแสดงที่ไหนก็ห้าข้อ คือมีประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสมากทรงจำได้มากแล้วก็มีความแม่นยาในสูตรในหลักในกฎในเกณฑ์แล้วก็นำสิ่งเหล่านั้นน่ะประสบการณ์เหล่านั้นมาเพ่งพินิษ์พิจารณาด้วยใจจนสามารถแยกแยะได้แต่ชัดเจนว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญ อะไรเป็นอุบายวิธีจะหลีกนี้ทางเสื่อมมาดำเนินในทางเจริญพ้นคำคำนี้ถ้าเรานำเอาพระํารัดติของพระบัสทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งประรบเหตุการณ์สามจังหวัดภาคใต้ที่ส่งใช้เข้ามาเข้าใจเขาถึงพัฒนาเนี่ยแล้วก็ถือว่าเป็นบทสรุปได้อย่างดี เพืการจะเข้าใจการจะเข้าถึงและการจะพัฒนาได้เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนอย่างที่ว่าเนี่ยคือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับองค์ประกอบรวม ร, ว ม, ร, ว, มรวมของพื้นที่ในสามจังหวัดเห่านั้นมายความพื้นฐานหลักจริงๆคือศาสนาแล้วก็เชื้อชาติแล้วก็ภาษาแล้วก็วัฒนธรรม ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่เอาก็จริงเราก็ยังไม่เข้าใจแล้วพอจะพูดถึงการสร้างสมาณชฉัน์ก็พูดกะเกณ์ไปแต่จะให้คนไทยพุทธหรือข้าราชการไทยพุทธพยายามเข้าใจพยายามเข้าถึงภาษาศาสนาวัฒนธรรม ของพีน้องชาวมุสลิมโดยหลงประเด็นนะฮะคือภาษาไทยเนี่ที่จริงมันชัดเจนว่าคําว่าเข้าใจนั้นคือสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต้องเข้าใจซึ่งกันและกันการที่เข้าใจฝ่ายเดียวคือคนเข้าใจสิ่งอื่นฝ่ายเดียวนั้นสิ่งนั้นต้องไม่มีชีวิตเราะในเวลาเนี้ยเราพูดคนไทยพูดกับคนไทยอิสลาม โดยเชื่อชาติแล้วก็เป็นไทยได้วยกันไม่ใช่โดยโดยสันชาติด้วก็เป็นไทยได้วยกันโดยเชื่อชาติในแง่ของความเป็นจริงทุกส่วนต่างๆของโลกเนี่ยคือถ้าจะเอาเชื่อชาติมันมันก็ต่างกันท้งนั้นเนี่แต่ถ้าเราเชื่อในระบบว่าพระผู้เป็นเจา้าเป็นผู้สร้างอดาดัมกับอีฟมา มันก็ต้องยอมรับนะว่าจริงๆเรเชื่อสายเดียวกันและถ้าเราปฏิเสธว่าคนเราเชื่อสายกาันก็แสดงว่าอาดามกับอีฟไม่ได้เป็นปฐม บ, บรรพุษของมนุษยชาติคือมันจะมีความขัดแย้งกันเองและสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดยังไม่มีการทำความเข้าใจเวลาพูดก็พูดในลักษณะประโจบปแจงเขา พวกเราจะต้องเข้าใจเขาจะต้องลงโทษข้าราชการที่ชุดชุดจริตแล้วเอาแล้วการที่ผู้ก่อการร้ายฆ่าคนทุกวันเนี่ยไม่ต้องทำอะไรกันได้ออยังไงแสดงว่าเราไม่เข้าใจอะแล้วเราก็ไม่เข้าถึงว่าไอ้เบื้องหลังจริงๆมันคืออะไร รู้แสนรู้แต่ก็ใช้โมหากติกับพยากติคือกลัวกับรู้ไม่ลึกแล้วก็ปัญหาเราเห็นว่าไม่ลดเปลี่ยนรัฐบาลแล้วมีนายพลขึ้นมาเป็นตับเลยความรุนแรงก็เหมือนเดิมแล้วก็บังจุดก็รุนแรงมากกว่าด้วยเพราะเราจะเห็นว่าตรงนี้ มันจะต้องมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆคือเรียกว่าตัวเหตุแล้วก็ตัวปัจจัยปัจจัยจะมีรายละเอียดเยอะแต่ว่าเหตุเนี่ยต้องเข้าถึงให้ได้ไปก่อนแต่ต้องเข้าถึงซึ่งกันอะไรกันยังไม่เคยได้ยินออกมาจากปากกลุ่มใดสักคนหนึ่งแต่อาจจะเป็นเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยสนใจข้อมูลข่าวสารทางสื่อ ไม่ค่อยได้อ่านไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้ฟังนะเพราะว่ารู้สึกสลดใจที่จะรับรู้ข่าวๆเหล่ า, านี้เราไม่ได้คิดนะฮะว่าสังคมไทยจะมีความคิดอย่างนี้ได้รุนแรงอย่างนี้ได้การแบกฝ่ายรบกันเองถ้าพูดถึงว่าความรุนแรงเนี่ยมันรุนแรงยิ่งกว่าสมัยขอมมนิ์รุนแรงมาก คนนี้เขาไปปลุกปั่นกันที่ต่างประเทศเรามันปลุกปั่นกันในเมืองไทยเลยแล้วก็เรียกร้องสมานอาจารย์มันนอกวิสัยที่จะไปคิดที่จะไปแก้ไขอะไรเลยก็ต้องปล่อยเป็นน้ากรรมหรือไม่รับรู้นะฮะลับรู้รับตาใช่บ้าง ร, รับรู้ไปก็เท่านั้นเอง นั้นเราจะเห็นว่าถ้าเราผ่านกระบวนการตรงนี้มีประสบการณ์ในแต่ละเรื่องนี่หลากหลายทั้งกว้างทั้งลึกแล้วก็มีความแม่นยำในขณะเดียวกันก็ไอ้หลักการสูดๆสำคัญสำคัญเน่เต้องแม่นนะต้องจำได้และทุกอย่างจะต้องผ่านกระบวนการคิดการกรองกา ร, การพินิจพิจารณา การทดสอบการทดลองจนเกิดความเข้าใจเพราะถ้าเราดูวิธีการพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าคิดแล้วก็พิสูจน์ทฤษฎีที่คิด้จนลงตัวได้ข้อยุติจึงพูดตอนพระพุทธเจ้าคิดกับทดสอบเนี่ยอยู่ร่วมหกปี และจากนั้นก็จะสรุ้ต่อมาอีกสองเดือนจึงทรงประกาศสิ่งที่ผ่านการพิสูจน์ทดสอบมาแล้วเราไปเดินตามเนี่ยคือเราพูดโดยไม่ต้องคิดอะไรแล้วก็มีข้อมูลก็ อ, อ่อนแต่ใช้ที่ท่านบอกว่าใช้หลักกูกมากกว่าหลักเกณฑ์ สายความถูกใจมากจ า, ากมากว่าความถูกต้องพอเราเกณฑ์ตรงนี้มาต ร, ตรงนี้มันมันไม่มีคุณสมบัติของสตัตว์บรุษเรายังไม่เข้าใจเรายั ง, ไ ม, ง, ง, ไ, มงไม่เข้าถึงซึ่งกันและกันไม่เข้าใจซึ่งกันและกันไม่เข้าถึงซึ่งกันและกันการพัฒนานั้นต้องพัฒนาไปด้วยกันนั้นคือสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมันเหมือนกับหมอเจอตุงเดินลองมาก็ลองมาด้วยกัน มันไม่ใช่ว่าคนพวกหนึ่งเดินและคนพวกหนึ่งไม่ยอมเดินมันไม่ใช่พันธะมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยอย่าลืมว่าต้องเข้าใจซึ่งกันและกันต้องเข้าถึงซึ่งกันและกันแล้วต้องพัฒนาไปด้วยกันไม่ใช่อีกฝ่ายหนึ่งจะทำตัวเป็นโครนติดล้อดิ่รังการพัฒนาสร้างสารรค์ในด้านต่างๆเอาไว้ แต่ตรงนี้พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยตอนปลายเนี่ยต่อไปเนี่ยมันจะเป็นวิริยะคือความเพียรพยายามในการป้องกันบาปในการขาจัดบาปในการเพิ่มพูนความดีในการรักษาความดีแล้วก็มีสติสัมปชัญญะตรงนี้เป็นคุณธรรมนะฮะคุณธรรมที่ครบอยู่ภายในใจหมายความมันต้องมีให้ครบทั้งเจดข้อแล้วก็ไม่ได้แยกข้อนะ คือหมายความว่าอยู่ในบรรทัดเดียวคือข้อเดียวข้อหนึ่งข้อเดียวทีนี้ต่อไปจะเป็นข้อสองว่าจะปรึกษาอะไรกับใครใรจะพูดอะไรกับใครๆจะทำอะไรกับใครๆจะคิดอะไรกับใครๆหรือคิดถึงใครก็ต้องคิดด้วยผลจากการทำการคิดการพูดการปรึกษา จะต้องไม่บีดเบียนตนเองและต้องไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นคือเล็งไปที่ผลแต่เราเองกระทรับทเหตุนะฮะในขณะเดียวกันเราก็ต้องเล็งไปที่ผลว่าผลมันจะออกมาในลักษณะอะไรและในขณะเดียวกันก็ให้ทานโดยเคารพคือให้ทานแบบสัตว์บุรุษให้ทานแบบคนดีแล้วก็มีความผิชอบ ซึงความหมายความกก็คือปัญญานั่นแหละก็คือปัญญานั่นแหละแต่ว่ามาสู่ภาคที่บริหารจัดการจากนั้นก็นําสติกับปัญญาเนี่ยซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนแล้วก็มีความเพียรเป็นตัวผลักดันหมายความสติปัญญาเป็นตัวกากับแล้วก็ความเพียรเป็นตัวเป็นพลังขับเคลื่อน มีศรัทธาคือความเชื่อมัน่นในขณะเดียวกันระมัดระวังไม่ให้เกิดบาปแล้วก็ใช้ประสบการณ์ต่างๆนี้ให้เป็นประโยชน์พวกนี้พวกนี้เขาก็าไปด้วยกันแีนี้เมื่อไปด้วยกันแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาในรูปของการไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนบุคคอื่นเดือดร้อนแล้วก็ใช้ปัญญาสติปัญญานั่นเอง มีความชัดเจนในเหตุมีความชัดเจนในผลมีความชัดเจนในตนมีความชัดเจนในความเหมาะความควรมีความชัดเจนในกาลเทศะและกลุ่มคนบุคคลที่ตัณช้คําว่าธรรมัญยุตาอัถัญยุตตาอัตัญยุตานี่หมายความว่าที่จริงก็คือปัญญาภาคบริหารบางครั้งเราอาจจะเรียกว่าบริหา ร, รยัปัญญาหรือบางครั้งก็อาจจะเรียกว่า นิปโกคือมปญญีปัญญารักษาตนคุ้มครองตนได้แล้วเนี่ยเรียกว่าสับปริสธรรมแต่ในที่นี้ที่จริงไม่ได้พูดสูงนะไม่ได้พูดสับปริสธรรมสูงเพราะวสัตว์ุรุษที่เขาพูดถึงนะ่ะมีแค่ศี่ห้าแต่นั้นเองเป็นอุบาสกที่รักษาศี่ห้า เพราะเราก็ต้องมองย้อนถึงเบื้องหลังของการมาของเ ท, เทวดาชุดนี้นะฮะเทวดาชุดนี้เราเรียกอีกอย่างหนึ่งนะฮะว่าสตุลละปกายิกาคือเทวดาที่รวมกันทั้งหมดก็เจ0ดร้อยเป็นคณะเทศเป็นคณะเทพแล้วก็บริวานอีกอนเอกนกนั้น คือมันมีการเดินทางไปโดยเรือในสมุทรแต่ท่านก็เล่าให้ฟังว่ารือใบนี่มันวิ่งเร็วมากลมก็ดีเรือก็วิ่งได้เร็วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเกิดทั้งพายุทั้งฝนทั้งลม ก็ทำไม่เรือโครงเครง่งแล้วก็น้ำก็เริ่มมากขึ้นเรือทะลุกาลังจะจมคนอื่นก็บงชวงวอนวอนตามพิจีการทั้งหลายนะเกิดหมายความว่ามนุษย์ประสกมโนาภายัยคุกคามแล้วมันก็ดิ้นรนขวนขวายเพื่อหาทางออกให้แก่ตัวเองแต่ก็มีคนคนหนึ่งนั่งส ง, งบภาวานาศึกษาทบทวน ถึงศีลกขตัวเองหน้าตาเขาเบิกบานจแจ่มใสไม่ได้ใส่ใจถึงเรือซึ่งกำลังจะจมคนเหล่านี้ก็สักถามเ็า mm hmm. ก็เล่าใฟังว่าก่อนที่เขาจะมาเนี่ยมาลงเรือเขาได้สมาทานศีลแล้วก็ถวายร่มแก่พระภิกษุกับรองเท้า คือท่านเดินมาในทรากลางอากาศร้อนแล้วก็ถวายร่มกับรองเท้าก็ตัวเองตัวเองก็ร้อนแทนเสียเพราะโดยผลทานศีลตรงนี้ทำให้เขาไม่กลัวต่อความตายเพราะเป็นการตายของผู้มีศีลแล้วก็ศีลก็บริสุทธิต์ตายไปเขาก็หวังว่าไปบังเกิดในสุคติ บางคนเหล่านั้นเกิดสนใจก็ขอสมาทานศีลแต่ว่าคลื่นลมมันแรงก็ให้คนเหล่านี้แบ่งออกขวายละหนึ่งร้อยเพื่อได้ยินกันก็ให้เขาสมาทานศีลทีละชุดแีละชุดก็เจ็ดชุ ด, ชดแล้วก็จมลงไปโดยลำดับนะฮะพอถึงชุดสุดท้ายเนี่ยเรือก็จมพอดีคนเหล่านั้นก็ตายแบบ เขาเรียก่านอนหลับแล้วตื่นขึ้นในสวรรค์ชั้นดาวันดึงมีวิมานเกลื่อนกราดดาสดาไปหมดเพราะวาเทพประบุเยอะแล้วก็วิมานของผู้เป็นอาจารย์ของบวศกะ์ะที่ทำหน้าที่ให้ศีลก็เกิดอยู่ท่ามกลางวิมานของเทพประบุอีกเจ0ดร้อย ก็อย่างบริวารอีกก็เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะทีนี้พระอาจาเหล่านั้นก็มาตรวจสอบคือเทวดาเนี่ยเขาระลึกชาติได้เกิดปับ๊บตายปั๊บก็เกิดปุ๊บนะฮะก็ทาให้นึกถึงประเด็นตรงนี้วันก่อนเนไปอ่านหนังสื อ, เ, อเขาเล่าเป็นนามแฝงนะฮะเป็นอุบาสก อธิบายถึงการเกิดตายในสังสารวัติมันก็แนวกรรมารมกับมนิมิตรารมกตินิมิตารมนั่นแหละแต่ว่าคือเราดูแล้วเนี่ยเขาดูคนซึ่งบุญกุศลไม่ได้มากแล้วก็ตายไปก็เกิดแถวภูมิเทวดา เกือถ้าเรามองที่พระพุทธธรรัะเติบเจ้าทรงแสดงว่าอจิรังวัตยังกายโยปัทวิงอธิเศสติสุดโดอเปต ว, วิญญาโนนิรัฐถังวากลิงกะังร่างกายนี้ไม่หนอหนอๆจะล้มลงเหนือแผ่นดินพอวิญญาณออกจากร่างก็จะกลายเป็นท่อนไม้ที่หาสระแก่นสารไม่ได้ มันก็แสดงว่ามีการออกไปนะคงไม่อยู่ในกายเดิมนะฮะไม่อยู่ในกายเดิมและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันเขาพูดถึงเขาเรียกว่าวิญญาณดับอายุขาดไออุ่นดับแล้วก็พูดถึงมือก็หลับแล้วตื่นขึ้นในปาราโลกรัวพูดถึงทรรมิกกอุบาสก ที่ก่อนจะตายนั้นคตินิมิตปรากฏกรรมนิมิตปรากฏคตินิมิตปรากฏกรรมารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์คตินิมิตอารมณ์ปรากฏมีเทวดาจากสวรรค์76ชั้นนะฮะมาเชิญไปบังเกิดในสวรรค์ของตนก็ปรากฏเป็นรถจากสวรรค์ชั้นนั้น แต่ทานก็ตัดสินใจเลือกไปบังเกิดที่สวรรค์ชั้นดุสิ์ทั้งก็ไปได้หรือมัตากุลีมัถกุนลีเทพประบุรตายปั๊บก็เกิดปุ๊บบนสวรรค์ชั้นดาวดึงอย่างเงี้ยคือแกบอกว่าเกิดจะในโลกมนุษย์มันมันก็คือข้อมูลเนี่ยมันพูดได้คือตัดสินเฉพาะที่ตัวเห็นแต่เราอย่าลืมนะฮะว่าโลกธาตเนี่ยมันแสงโกจักรวาล คนแต่เราจะเอามาสรุปตรงนี้มันไม่ได้ i, ต้องตองมองภาพกว้างกว้างว่าความหลากหลายของชีวิตเนี่ยคุณจะใช้เกณฑ์ AN, ตรงใดตรงหนึ่งมาตัดสินนี่ไม่ได้อุปปาติกะมันมีหลายระดับไม่ใช่ว่าอุปปาธิกะแล้วก็จะต้องเกิดมาแถวภูมิเทวดาลุกเทวดาเรือกาสเทวดาซึ่งเป็นเทวดาใกล้ๆ ที่เคยเล่าเนี่ยทำนองถึงถึงเทพธิดาชั้นจตุมาราที่มาสิงสถิตอยู่ที่บ้านของเขาแต่จริงก็ไม่ได้แปลกอะไรนะแต่ว่าอย่าไปอธิบายในลักษณะที่ผูกขาดไว้ว่าเป็นอย่างนี้เท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นว่าที่เคยเห็นนี่มันเป็นอย่างนี้่เท่านั้นก็ปกฟังได้ หรือว่าตอนที่พยามารเที่แสวงหาปฏิสนธิบิญญาณของพระโคชิกะซึ่งเป็นพระหันิพพานเนี่ยยามารก็ได้ปรากฏตัวเป็นรูปของควันเป็นรูปของก้อนเมฆวิ่งไปวิ่งมาหมุนตลบอบวนไปหมดผู้จารับสั่งว่าเชียรงเชียภิกษุดูบอกว่านั้นคือพยามาร ก็บางเที่ยวหาไปสุนที่วิญญาณของโคติกะอยู่โคธิกะวิญญาณไม่มีปฏิสนธิวิญญาณเพราะว่าโคธิกะได้นิพพานแล้วหรือเป็นผ่านแล้วก็ที่จริงการเสนอหนังสือแนวนี้ดีนะฮะเพราะว่าสังคมเราถ้าเรามองเมื่อแต่ว่าอะไรละบปศสอง 2, พันหรอสิบ ถึง 2,520 เนี่ยฮะประมาณก็นหนึ่งทศวรรษเนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์ที่แรงแล้วความคิดของสังคมเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากการแพร่หลายของลัทธิคอมมิวนิสต์ที่ปฏิเสธเรียกศาสนาเป็นยาเสพติดบ้างเรียกเป็นการฝากสังคมบ้าง ประโยคที่ว่าบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อมันก็มาจากระดีกอบนิดแหละแล้วก็จนถึงกับทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วดีได้ดีมีถมปลายขึ้นต้นงิ้วพรีไปต้นขนุนผิดเมียท่านได้บุญทั้งลูกขนุนก็ได้กินนรกสวรรค์เป็นเรื่องที่พระเอามาแต่คูชาวบ้าน แล้วก็เอาสวารรค์มาล่ อ, อ, าอนรกมาคู่ แ, แต่ต่างๆ ม, ม, ม, มันเกิดกระแสตรงนี้เยอะแล้วในตอนนั้นเนี่ยท่านเราทอเรียงไผบูนก็ได้เรียบเรียงสือกฎแข่งกรรมขึ้นมาก็ปรากฏว่ามีเรื่อมร่วมสามร้อยเรื่องแล้วก็ท่านผูน้นี้ยังไม่เคยพบ ก, กันคือท่านตายเป็นนานแล้ว เป็นผู้เท่ารุ่นปลายรายการที่ห้าแต่ท่านก็ได้ฟังอาตมาบรรยายที่กรมประชาสัมพันธ์ในหัวข้อหลักการอยู่ร่วมกันโดยความเป็นมิตรคือเราแทนที่จะเอาตัวสารานิยธรรมมาเป็นบทตั้งเนี่ยเราเอาผลของสารานิยธรรมมาเป็นบทตั้ง ว่าเราต้องอยู่กันด้วยความรักกันด้วยความเคารพ ก, กันด้วยการไม่ทะเลาะ ก, กันด้วยการสงเคราะห์กันถ้าทำได้อย่างนี้มันก็จะเกิดสามัญคีแล้วเกิดเอกภาพาท่านตื่นเต้นท่งเขียนจดหมายมาแสดงความชื่นชมมาท่านไม่เคยได้ยินไม่ได้เคยได้ยินประสูดนี้แต่ขอแสดงความชื่นชมก็ที่จริงก็อยากจะ อยา ก, กระพบนะฮะแต่ว่าก็ไม่รู้ถ่าเป็นใครเพราะว่าเป็นนามปากกาเพราะในเอกสารเหล่านั้นถือว่าช่วยช่วยเหลือเยอะตทําไม่คนเชื่อในกฎของกรรมกฎในสังสารวัฏแต่ว่าไม่ใช่ถือว่าความสมบูรณ์นะฮะหมายความว่าคนก็เล่าตามประสบการณ์ของเขาเอง คือมันไม่ใช่รู้เห็นด้วยญาณ น, นะแต่รู้เห็นด้วยประสบการณ์นะถามว่าถูกไหมมันก็ไม่ผิดหรอกแต่ไม่สมบูรณ์ไม่ใช่อย่างนั้นท้งนั้นบมการมองพวกเหล่านี้เราต้องมองก็ได้รอบข้อรอบด้านพอสมควรนะแต่พรีแพรมตัดสินเชื่อมโยงผูกโยงระหวังสิ่งนั้นกับสิ่งนั้นเพราก็ทำอย่างนั้นจึงเป็นอย่างนั้นมันอาจจะใช่ก็ได้ไม่ใช่ก็ได้ พะเราไม่สามารถยังรู้รายละเอียดของกรรมที่แม้ของเราเองนะฮะไม่ต้องพูดถึงคนอื่นหรอกแม่แต่ของเราเองเราก็โยงไม่ถูกว่าอะไรมันที่มันเกิดเนี้ยมาจากเหตุอะไรแล้วก็โยกไม่ได้เพราะในการใช้ปัญญาจึงจะต้องรู้จากเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการ แล้วก็รู้จักชุมชนรู้จักบุคคลรวดเดียวนะฮะคือหมายความว่ารวดเดียวเนี่ยต้องมองให้ครบทั้งเจ็ดจุดเหล่านี้เพื่อไม่เกิดเป็นความบกพร่องแม้คำว่ า, าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาก็เหมือนกันเราต้องเข้าถึงเหตุผลในเรื่องเหล่านั้น คือคำว่าเข้าใจเนี่ยมันก็มีสองเรื่องว่าวิชาการเนี่ยเราเข้าใจวิชาการงานเนี่ยเราเข้าใจงานสถานที่เราเข้าใจสถานที่แต่ว่าคนกับคนเนี่ยมันต้องเข้าใจซึ่งกันและกันแม้แต่คนกับสุนัขนะคนกับช้างคนกับโคคนกับอะไรเนี่ยมันต้องเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างคนขี่ม้ากับม้าเนี่ยต้องเข้าใจซึ่งกันและกันหมายความว่าระดับอาชานัยในขนาด เจ้าของขยับขานินเดียวเนี่ยเขารู้แล้วว่าจะไปทางไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญว่าเราต้องมองว่าปฏิบัติยังไงล่ะที่คุณบอกว่าให้ไทยพุทธไปเข้าใจไทยอิสลามทาั้งทางเวเนี่ยถูกอพยพมาจากสามจังหวัดเป็นแสนแสนแล้ว มันก็เ น, นี่ยมีคนที่อยู่ในท้องถิ่นมาเล่าใฟังว่าก็มีอยู่สามสิบกว่าหมู่บ้านเลยเนี่ยสามจังหวัดมีอยู่สามสิกว่าหมู่บ้านแต่ก็หมู่บ้านบางหมู่บ้านก็มีแต่หมู่บ้านไม่มีคนแล้วคนเองก็ยังเหลืออยู่แค่หมื่นกว่าซึ่งเป็นปนัญหาที่น่ากลัวนะเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเกี่ยวกับความมั่นคงเดี๋ยวนี้ก็ยึดโยงกับความเป็นสัตว์บ ร, ร, ษรุษ คือหมายความว่าสัตว์บุรุษเนี่ยเวลาแสดงออกเนี่ยมันต้องชัดเจนและฐานดังคุณธรรมตัวเองต้องมีเวลานี้เราโอากาสหนึ่งเทศะหนึ่งกลุ่มบุคคลหนึ่งคือการเจ็ดสัตว์ตัดสินใจในขณะหนึ่งเนี่ยมาวินิจฉัยในขณะนี้มีคนบางคนไปพูดว่าบารรพชนไทยนั้นไม่ฉลาดมาสร้างบ้านที่ราบลุ่ม ของแม่น้ำเจ้าพระยาแทนที่จะสร้างเหนือขึ้นไปเหนือสระบุรีขึ้นไปเอาก็ปูดได้เลยแต่ว่าแม้เดี๋ยวนี้เราก็ยังไปสร้างไม่ได้เพราะการสร้างเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายยิงยุคสมัยนั้นแล้วเลิกพูดเลยเรามาตัดสินใจแทนคนปู่ย่าตายายเมื่อเมือม่อเมื่อสองร้อยอะไรละ่ะยี่สิบ้าปีแล้ว มันไม่ได้ฮะสองรอยีิบสี่ปีละเหตุการณ์ขนาดนั้นท่านตัดสินใจขนาดนั้ น, นก็ถูกต้องขนาดนั้นประเด็นไหมว่าศพุริสธรรมจึงเป็นเรื่องต้องใช้หมดทุกคนแล้วก็ต้องมีมากพอด้วยไม่ใช่ไปเลือกพูดเลือกมองเอาในจุดใดจุดหนึ่งวันก่อนฟัง ดรสมคิดอ อ, อดีตนายกรองนายกเขาเล่าถึงสมัยที่เขาเป็นรัฐบาลก็ได้ควาหน่อยหนึ่งนะฮะคือเขาบอกตอนนั้นมีปัญหาเยอะเราก็นั่ง พ, พูดๆอือมันมีปัญหาเยอะจริงไงมันมี i อ f อมอมันมีสึนามิมันมีวัดนกมันมีโรคซามันมีปัญหาภาคใต้มันมีปัญหา ก่การร้าย ม, ญญามันมีปัญหายาเสพติดโอมันมีปัญหายเยอะจริงแล้วก็เรียกว่าตามแก้ตามเช็ดตามล้างปัญหาการเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดเพราะโอกาสที่จะขับเคลื่อนนําเรือเนี่ยหมายความว่าถ้าอยู่ท่ากลางขึ้นลมมากมันก็ต้องช้าแหละแล้วก็ต้องมีปัญหาเยอะถ้าคลื่นลมปกติดีมันก็ไปได้ดี เพรอะไรก็เหมือนกันนะ่ะคือถ้าเรามองเนี่ยเรามองให้เต็มแบบสัต บ, บุญสถาปน์แล้วก็จะเข้าใจซึ่งกันและกันนะฮะจะต้องเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าพอไม่ใช่พวกเราเลยร็วๆทางนั้นเลยแรือพวกเราดีทั้งนั้นอันนี้มันสมานฉันไม่ได้ เพราะสมานฉันนั้นฉันทะแปลว่าความพอใจสมานะก็แปลว่าเสมอกันคือมันมีบทสรุปด้วยกันที่พุทธศาสนาเน้นศีแลสามัญจตากันทิฏิสามัญญาตาซึ่งจะเห็นว่าตรงนี้มันก็คือปัญญากลับคือต้องคิดแบบสัตว์บุรุษอะ่ะเพราะต้องมีความชัดเจนในตัวเองคือศีนเนี่ยเรารับผิดชอบเราคนอื่นรับผิดชอบคนอื่นรับผิด ช, ชอบไป แต่ละคนต่างก็รับผิดชอบแล้วก็ประนีประนอมประสานประโยชน์กันในเรื่องของความเห็นคือความเห็นใจเหมือนกันร้อมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่ามีจุดหมายปลายทางร่วมกันอาจจะแตกต่างในรายละเอียดไม่ได้แปลกอะไรคือไม่จําเป็นจะต้องไปชี้คนนั้นว่าผิดคนนั้นว่าถูก เวลาเนี้ยเราลองสังเกตว่าวิธีการมองของคนโดยสารเรือเนี่ยคือถ้าเขาขาดคุณธรรมของสัตว์บรุษแล้วเนี่ยเขาคงไม่หันไปรักษาศีลแต่แสดงว่าพื้นฐานทางจิตเขาเนี่ดีในยามวิกฤติไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งได้้องจากสี แล้วอยู่ในเรือนะทำกลางขึ้นลมที่รุนแร ง, ยงอย่างอื่นเลิกพูดกันเลยเทดวทดางเทวดาเนี่เลิกพูดเลยมันก็คือช่วยตัวเองให้ดีที่สุดคือทําจิตให้สงบไปนิ่งถึงก็หมายความว่าต้องมีพื้นฐานความเชื่อในเรื่องกรรมเรื่องสังสารวัฏอยู่แล้วเชื่อในผลของทานกองศีลอยู่แต่ย่าลืมว่ามาดวัดความเป็นสัตว์ปรุษตรงนี้ไม่ได้พูด สูงนะฮะพูดระดับศีลห้าตอนั้นเองพระมาทวัดมันจะเยอะเลยสัตว์ทำเจ็ดนี่ก็เป็นสัพพิสธรรมหรือว่ากุศลกบฏเนี่ยมันก็เป็นสัพพิสธรรมก็ mm hmm. แสดงมาเยอะนะแต่ว่าเราต้องดูบังการหน่อตรงนี้เอากันขนาดไหนล่ะโอเคศีล okay, ห้าศีลห้าหมายความโอกาสมันกว้างมากที่คนในโลกเนี่ย ผู้ใคร่ทำผู้ฝ่ายทำจะทำตนให้เป็นสัตว์ุระหลุตผเทวดาเหล่านั้นสรุปสรุปแล้วว่าพวกตัวเนี่ยที่กลายจากคนโดยสารเรือแล้วก็ประสบกับวาตภัยรอดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นมาได้ กลายเป็นเทพบุตรอยู่บนสวรรค์ชั้นพิมานเนี่ยมันบุกยกได้เลยว่าถ้าเราไม่เจออาจารย์เนี่ยเราไม่ได้อย่างนี้หรอกวันแทนที่จะสวยสุขไม่สวยกคืออยากให้คนอื่นเนี่ยเาหาสมาคบกับสัตว์บุต ด, ด้วยเลยก็อันตรธานจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ไปเชื่อตัว การอธิบายลักษณะว่าเมื่อปฐมยามล่วงไปแล้วพวกเทวดาสตุลลปกาจิกามากด้วยการมีวันณะงามอย่างประเจดวันให้สว่างทั่วไปข่าวข้าวพระผู้มีพระภาคอันแล้วก็ถวายบังคมถวายพิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ยืนอยู่ณนะที่สุดส่วนข้า้งหนึ่งเทวดาเหล่านี้ก็คือหัวหน้ามันมีเจ็ เจตน์นะฮะเจตนเทวดาเนี่ยเขานับเป็นตนก็เสนอความเห็นของตัวเองจากประสบการณ์นะฮะจาประสบการณ์ตัวเองว่าตัวเองเห็นกันจัจ่ะเลยอันนี้เราเราผูกโยงได้ว่าเพราะเราคบหาสมาคมกับสัตว์บุรุษท่านบอกว่าบุคคลควรนั่งร่วมกับพวกสัตว์บุรุษควรทําความสนิทสนมกับพวกสัตว์บุรุษ บุคคลทราบสั์ธรรมของพวกสัตวรร์บุษแล้วมีแต่คุณอันประเส ร, ริฐไม่มีโทษอันลามมกเลยประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าน่าต้องเขา้าใจอีอหลายปีมาเนี่ยเขาจะนิมมนัตมาไปเป็นประธานในงานทำบุญของธนาคารชาติ แล้วก็พอผ่านพิธีก่อนที่จะอนุทนาเนี่ยเขาจะขอให้กล่าวธรรมกถาเราก็รู้บรรยากาศเช่นนั้นกล่าวนานไม่ได้หรอกแต่วันก่อนนี่พูดออกเพราะมันตรงกับวัน ร, ร, นรัฐมนูลด้วยแล้วก็พูดไปได้ถึงสิบสิบนนาทีนะฮะคือจริงๆกิงตั้งใจจะพูดแค่สิ บ, บัญชีเออมันก็มีประเด็นที่น่าจะพิจารณาทบทวนเพราะโคตรมันเยอะ เราก็เชื่อเขาเห็นนะว่าเราแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันน่าสรรเสริญแต่ถ้าเรามองให้ดีนี่มันฉาบช่วยร้องเพลงแต่งชุดเหลืองร้องเพลงส่วนมากก็ร้องเพลงนี่จะเยอะมากเลยลีลาต่างๆ แต่ก็โดยสเสด็จพระราชกุศลด้วยประการต่างๆซึ่งแต่ละอย่าง น, นมันดีไม่ใช่ไม่ดีหรอกแต่ถ้าถามมรราบาัตสมเด็จพระเจ้าอยู่ต้องการอะไรในชาติบ้านเมืองนี้ต้องการสามัคคีทําต้องการการรู้รักสามัคคีต้องการให้สังคมพุทธเอยู่ร่วมกันดว้วยความไม่ใช่สังคมไทยนะฮะ สังคมไทยอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นมิตรมีเมตตาจิตมีเมตตีจิตต่ อ, อ ก, กันแล้วก็บอกให้ลองทบทวนดูเธอพระราชจำรัสตรงนี้ตั้งแต่วันที่9มิถุนายน2 5งพ4 9แล้วก็มาตอนสวนสนามของทหารตอนเสด็จออกมาสมาคมในพระลรมาราชวังตอนไหนก็ตามนะฮะจะ มีสามกีอยู่ทุกแห่งเรารู้แสนรู้ว่าปีหมามงคลแล้วเป็นโฉบหน้าใหม่ของประวัติศาสตร์พอดีท่านผู้ว่าธนาคารชาติก็เป็นโฉงหน้าใหม่ของประวัติศาสตร์เหมือนกันที่ผู้หญิงได้เป็นถึงผู้ว่าและท่านจะเป็นถึงถึงห้าสามนะคร บอกว่าคงจะมีอะไรบุกเบิกสร้างสารรค์พัฒนาเห็นความสามารถของผู้หญิงมากยิ่งขึ้นซึ่งถ้าหากว่าตรงนี้เราจะเห็นว่าสัตว์บุรุษเนี่ยพวกนี้มันไม่ใช่ครบอย่างเดียวฟังฟังและทำตามผลผลจริงๆมันผลมันเกิดขึ้นจากการทำตาม เพ่อการเข้าหาสมาคมกษัตริย์บุรุษการนั่งกล้กษัตริย์บุรุษการสร้างความสนิทสนมกับษัตว์บุรุษและการได้ทราบธรรมของสัตว์บรุษเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยแต่ตัวเหตุคือการที่ตัวได้สมาทานศีลแล้วก็ในขณะนั้นเป็นผู้มีศีลและจิตดับไปในขณะที่มีศีลอยู่ เขามีปิติประโมทเราเห็นชัดเจนว่าจิตเนี่ยมันจะเดินไปในคันลองของโพชงเจ็ดประการมีสติระลึ ก, ลกอยู่ถึงสีลมีธรรมวิจยตาพิจารณาเห็นคุณของการมีสีเน้นโทษของการไม่มีสีแล้วก็พยายามพี่จะรับสีได้ได้ชุดที่เจ็ดเนี่ยน้ำท่วมคอพอดีเลยสีจบก็ตายพอดีเลย ก็เรียกว่าโอกาสในการรักษาศีลเนี่ยมันสั้นมากแต่เราก็เห็นพลังของบุญที่พระเจ้าเตือนว่าอย่าดูหมินว่าบุญมีประมาณน้อยแล้วจะไม่ให้ผลมันเป็นเรื่องของการสะสมเหมือนหยัดฝนที่ตกลงมาทีละหยาดเนี่ยสามารถทำภาชนะซึ่งรองรับให้เต็มได้จังได เพราะเมื่อคนทำบุญสะสมบุญเอาไว้ในสุดใจมันจะมากหรืยบุญบุญนี้เลนเปลี่ยนพบชาติเลยหลุดเรือมากเพราะนั่ก็ผูกโยกตรงนี้แต่อย่าลืมนะว่าจากคนโดยสารเรือซึ่งกำลังจะตายทำกลางวาระภัยนั้นก็แน่นอนก็ตายก็ไม่ได้แปลกอะไรจะตายเนี่ย แต่ตายแล้วแบังเกิดในสุคติเนี่ยมันเป็นผลตรงมาจากการคบหากริย์บรุดุดแต่ไม่ใช่คบเฉยๆปฏิวัติตามธรรมของสัตว์บรุเราะั้นวันี้วันก่อนเนี่ยมีอะไรคุณสรยุทธก็พูดเรื่องอะไรธรรมาพิบาลเรื่องโปรง่งใสเรื่องอะไรต่ออะไรหลายๆคำนะฮะคำจริยธรรมหลายคำคำสับแสงแต่นั้นล ทำไมล่ะธรรมอภิบาลคำว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งหมาชนชาวสยามนั่นมันสุดยอดแล้วกรอบมันใหญ่โตโมโหมูาเลยทำไมเราไม่ย่อส่ล่ะเราจะครองชีวิตโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของตัวเราเราจะครองเรือนโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของครอบครัว เราจะอยู่โดยทำเพื่อประโยชน์สุขของตนเองของบุคคลอื่นภายในครอบครัวอันนี้ก็คือวิธีของบัณฑิตเพราะบัณฑิตก็คือสัตว์บุรุษเพราะคาว่าสัตว์บุรุษก็คือคําว่าบัณฑิตก็คือคนที่สามารถยึดถือประโยชน์เอาไว้ได้ทั้งสองอย่างคือประโยชน์ตนเองประโยชน์คนอื่นประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้าเป็นการครบหาอย่างเดียวเนี่ย คุณความดีของสัตว์บุรุษไม่ได้วิ่งเข้าไปสิงสู่อยู่ในเราเหรอกเรามีพระมหากษัตริย์ที่ถือว่าสุดยอดแม้แต่ในประวัติศาสตร์ของชาติไทยเองแล้วก็ประวัติศาสตร์ของมนุษ ย, ยชาติเราไม่เคยทราบรายละเอียดที่เกี่ยวกับพระเจ้าจกักรพรรดิหรอกแต่เราก็เห็นในหลวงของเราว่า ส่งครองไปดินโดยธรรมจริงๆแล้วคำตอบที่ส่งถามแล้วก็ตอบนั้นคือประโยชน์สูงแข่งมาชนชาวสยามโครงการในพระราชจำริทั้งหลายเป็นโครงการเพื่อประโยชน์สูงแข่งมาชนชาวสยามตรงนี้สิอันี้คือน่าจะใช้ในปีมามุคลแปดสิบปันษานะ ่าลืมมาพระชนพันษาเท่ากับพระพุทธเจ้าด้วยทายังไงวะเรื่องทะเลาะแบง่งฝ่ายรบ ก, กันเนี่ยมันหยุดสักทีเถอะมันน่าอึดอัดมันน่ารำคาญเป็นครูบาอาจารย์มีรอสอมีสอนำหน้าเป็นอดีตนายกอดีตรัฐมนตรีอดีต อ, อะไรเยอะ แล้วก็เรียกร้องธรร ม, มาภิบาลแต่ว่าตัวเองไม่มีธรร ม, มาภิบาลแตเรื่องที่น่าสนุกพ้นประศุนนี้จึงเป็นประศุน ท, ที่น่ามีประเด็นที่น่าศึกษาอยู่เป็นอันมากที่เดียวท่านฟังทั้งหลายเสียงทําจากหมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, งอก ง, งามไปบุญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี